ธรรมาชาดกแผ่นที่6ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10สิงหาคม2548มีชื่อเรื่องว่านิทานเสียงเมี่ยงพูดถึงเฝ้าวัดเนิดสมัยหลวงพ่อเป็นเด็ก เขาเล่านิทานนะนึกขำขำเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> นิทานเสียงเมี่ยงว่างั้นแตอฟังแต่ว่าเสียงเมี่ยงถนนสีถนนชัยมันหัวมันหัวหัวแหลมหัวขี้เล่นว่างั้นแต่สมัยเสียงเมี่ยงเนีนเมี่ยงบวชว่างั้นแต่เนีนเบี่ยงกับแปลกเหมือนกันนะอกับตวงขวตาแกองค์หนึ่งว่างั้นแต่เฝ้าวัด โดยมากมันจะชอบแกล้งแกล้งหัวตาแก่อยู่เสมอวะนะเสียงเมียงน่ะเน้นเมียงเวลาเขาเอาขนุนน่ะขนุนเลสน่ะขนุน <c oughs> น, น, นั้นมาประเคนเขาก็ยกเข้ามาอย่างพวกเราเอามาถวายอย่างนั้นหัวตาก็คิวขี้โมโหโหัวหัวตาก็เจ้าอารมณ์อย่างนั้ น, นไม่มีเหตุไม่มีผล <c oughs> พูดอะไรกับวพ่อาพอด่าไปเรื่อยว่างั้นแต่ไอ้ hey, จัวเมี่ยงเนะี่กัเจ้าปัญญาขี้แกล้งอีกต่างหาก <c oughs> ขี้เล่นอีกต่างหากขี้แกล้งคนอีกต่างหากหลวงตาก็เห็นจัวเมี่ยงเขาก็เอาขนุนมาขนุนเละเนะ่ยขนุนหนังก็มีแนตะ่ขนุนเละก็มนะีแต่ขนุนเละไม่ค่อยเห็นนะหลวงพ่อไม่ค่อยเห็นตัวนี่มีแต่เห็นแต่ขนุนหนังแต่สมัยเป็นหลวงพ่อเป็นเด็กขนุนเละมันมีอยู่ได้ ถ้ามันอ่อนเลยจับขึ้นมามันดุยไปหมดเลยงั้นแทะทีนี้ก็เขาเาขนุนเละมาให้ลูกหนึ่งขัวตากับขี้โมโหเนะี่ยเจ้าอารมณ์เหมือนกันโจเมียงสมัยสมัยนั้นทางนี้เขาเรียกว่าจัวเลยไม่ใช่เนนเหมือนกันแต่เขาเรียกจัวโจวเมียงเอาขอนุนมาเค้นขั้วตาบอก ไอเขาว่าเคียนกันที่โจนเมี่ยงกับบวชใหม่ยังไม่รู้จักว่าเคีนนั้นคืออะไรเอ่อชาวบ้านเขาว่าเคียนคือพันเหมือนกันคือหาเชือกมาพันพันพันพันขนุนอะเขาบอเคียนเคียนเขาบอกเคียนเคียนเียนเนี่ยก็ว่าพันพันพันจู่เมี่ยงก็ปุ๊บปับก็ไปหาไปได้เชือกมาก็จะมาพันลูกขนมนเหมือนกําลังจะมาพันหลวงตานี่ก็โมโหใช่ไหม กำลังจะกินข้าวอยู่นะศึกหัวข้าวางั้นแลูกมึงมาเค้นยังไงยางนี่น อ, มมนนอย่า ง, า ง, างั้นหัวปลาหัวตาอะไรจับข น, น, นุนอะไรกระทุ่มสิหัวจวเมียงอะ่างั้นแจับขนหนลูกนะนะั้นขนุนที่มันเละๆนะมึงจำไว้นะที่นี่ น, ะนี่แหละเค้นอ่างั้นวลูกขนุนนี่ยแตกกระจายไปหมดแล้วอ่างั้น เ, นเลลพื้นสล า, าหมดเนละ โจเมเงี้ยงกับพวกไม่ออกเขาก็เก็บระบาดเนี่ยจำไว้นี่แหละเค้นพจน์เนี่ยดวงตาขี้โมโหเนจากนั้นตัวเมีย้ยงอุจึงทําอย่างนี้เองเนาะเค้นเหมืนั้นเนยพอในวันต่อมาเขาเอาลูกมะพร้าวมาให้เท่าไนี่ลูกกาลังพอเหมอนเท่านั้ น, นปลอกกําลังแน่นๆเหมืนันน้นเถอะเขาเอาเปลือกมันออกหมดละเขาก็เอามาถวายหลวงพ่อยเขาใส่ถาดมาเน พ่อหลวงห <c oughs> ลวงพ่อเอาเอาของเขามาประกันหลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมหลวงพ่อคําหานุ่นขำหานี่วะนั้นเถอะเออมองสายมองกวา่าเพื่อหาสิ่งของโจมเมี่ยงก็ได้จังหวะพอดีวะงั้นเถอะเอาลูกมพะพร้าวลูกแก่นๆนั่นนะใส่ท่มใส่หัวหลวงพ่อใส่ปังเลยวะนั่น <c oughs> โอ๊ยหลวงพ่อนี่เหยียดเลยวะนั้นเถอะเออนอนยาวเหยียดเลย ถล่เพราะเ ง, ง้นเถอะ <c oughs> เอา้าเขาทําไม่โจเมียงจึงทําอย่างนั้นไงเอา้าเมื่อวานเลยหลวงพ่อบอกว่าเคียนกับเคียนอย่างนี้เลยวันนี้หลวงพ่อบอกให้เคียนผมกัเคียนอย่างนี้แล้วเนงะั้ยโอ้จากนั้นมาก็เลยเป็นที่ทานมาเลยงนะี้ยเนี่ยแหละถ้าจะสอนใครต้องสอนให้ดีให้เขาเข้าใจไม่ใช่ไปสอนส่งเด็ดเอ่ สอนลูกน้องอะไรก็ก็ตามต้องสอนให้ดีให้เขาเข้าใจอันนี้เป็นอย่างเงี้อันนี้เป็นอย่างงั้นใชอหลวงพ่อกลัวอย่างนี้เวลาสอนลูกน้องหนะึ่งสอนไทยเป็นไทยเลยว่าเงี้ะไม่ได้ไม่ได้สอนในแบบกำกำกึๆๆๆๆๆ่งกึมันนะสอนกำกำกึ่งกึเดี๋ยวผลมันจะตามมาแบบหลวงขัวตาสอนจัวเมียงว่าเงี้ยขัวตาสอนจัวเมียงนะก่อนหนุนทุ่มใส่หัวนีอต่อมาจัวเมียงกั ออกมาพลาทุ่มใส่หัวลงตายไอนี่ยโอ๊ยมะพร้าวกับขนุนมันคนละเรื่องกันเลยเมื่ากั้นเนี่อขัวาตาเนีนอนยาวเหยียดเลยสลบเ อ, อีเหมือแตมื่อกี้ได้เป่าน้ําเอาจึงค่อยฟื้นขึ้นมาก็ทําไมโวเมียงถึงทําอย่างนี้เาขาอ้าวขัวตาสอนได้เมื่อวานอย่างนั้นอสอนว ว, วิธีเคลียร์ทำอย่างนี้ผมก็สอนอย่างวิธีทำอย่างขงตาสอนแล้วาเั้นอืีไม่รู้จะเอาอยัางไงไอ้นี่ เสมอกันว่างั้นแต่นี่แหละอันนี้คือจัวเมียงที่มาพูดถึงเรื่องเฝ้าวัดบ้านยอย่างพอกกห้ท่านถุงเฝ้าวัดนะจัวเมียงเฝ้าวัดนะกัวตาไม่อ ย, ยู่กัวตาติดทุระไปนม่บนเฝ้าวัดนะจะให้ไก่ขี่ใส่สานะนะอย่าให้ไก่ให้ม้าขี่ใส่สาระนะจัวเมียงก็ครับหัวตาก็ไปแล้ว พอไปเสร็จแล้วก็ด <c oughs> ไก่เข้ามาบัดโจเมเงี่ยก็เอาไอ้น้ําอ้อยน้ํำอ้อยกวนๆดีๆแล้วก็ดยอดลงไปใส่ในพื้นซาลาวัันแล้วก็เหมือนกับขี่ม้าเอาน้ําเนี่ยเอาเข้าวตาใส่แล้วตําใส่งาเนี่ยนะในะส่น้ำอ้อยด้วยทิ้งเป็นควนเป็นควันไปว่างั้นะ ไลาัวาตามาเห็นหนึ่งรู้จัรู้จักแล้วลงตาขี้โมโหกันแโจเมียงทำไมให้เฝ้าสาราเฝ้าวัดทำไมให้ไก่ให้หมาขี้ใสสลาอย่างนี้วะเอากินมาสนเโจเมียงโจเมียงเห็นทวงตาบอกให้กินโจเมียงก็ข้าบมับเลยขาบขี้หมาก่อนเพราะน้ำมันงาด้วยตกระน้องอ้อยอย่างดีกำกรองไว้เหมงั้น ขับมับขับมั่บต่นี้ก็เ ล, เลี้ยนน้ำอ้อยที่หยอดหอดเป็นกองกองไว้เหมือนกินอะไรอร่อยไหมเนีน้นะขัวตาเอาเอาเทียวเอาไว้ก่อนเทียวให้กูกินหน่อยว่างสิเด้ขัวตาก็เลยเห็นโจเมียงเลยปล่อยให้ตัวตาก็กินน่ยเข้าตางานนั้นเข้านวดใส่งาเนี่ยกับน้ำอ้อย ก็กินขี้ไกเ่เหย่อนั้นอีกเอนขี้ไก่ที่มันเป็นก้อนๆนะี่โอ้อร่อยไว่าหวานไ อ, อทำไมไก่จะขี้หวานขนาดนี้วะเดี๋ยววันต่อไปมาอีเอาโ จ, จ, จมจมเนี่ยฟ้าวัดอีกนะครับผมพอมาบาัดนี้ก็จูเมีเ่ยงเอาขี้ไก่จริงๆนะมากองไว้บัดนี้พอหลงตาขึ้นมาหลงตาเห็นเอา้าโจเมีเ่ยงขี้ไก่ขี้เลายเลยครับเท่านั้น เดี๋ยวจะเฝ้า่้นี้เราจะกินเหมือนแต่ก่อนไหมหัวตาก็เลยไปกินขี้ไก่กับขี้หมานะโอ้ยมันไม่เหมือนขี้โจเมียงหลอกอลไวแบบนั้นเถอะเ อ, อนี่แหละแสดงว่าหัวตานี่ไเพว่าถูกหลอกกับโจเมียงเลยจนพอแรงเลยแบบงั้นเถอะเออจ้าวันที่ทานเนี่ถูกหัวตากับโจเมียงแบางั้น <c oughs> กินขี้ไก่กับขี้หมาโจเมียงหาที่ได้เห็นขี้หมากับขีบขี้อมองไว้ใช่ไหม อมากองกองไว้เอกี่ไก่ก็กองกองไว้เหมือนกับข้าวก่อนเหมอนกันเมาขาวนี่จัเมี่ยงไม่ได้กินหนึ่งัวตากินก่อนกันเหนกันเถอะจัวตาขาบันี่ก็กินขี้หมากับขี้ไก่ใส่กันเนยโอ้โหนี่น่ะว <c oughs> ันั้นหลวงพ่อบอกว่าเอ้เฝ้าวัดเฝ้าวานนะจะให้มีขี้ไก่ขี้หมานะดูไงบอกกัน <c oughs> วันนั้อันนี้คือนิทาน เป็นสันนิษฐานทีฐานเรื่องสาทบสรุปแล้วก็คือให้คนย้อนมานดูตัวเองให้เกิดปัญญาการสอนคนสอนให้รู้เรื่องอย่าไปสักแต่ว่าสอนอย่าสอนคนด้วยอารมณ์สอนด้วยคนให้มีสติปัญญาความรอบคอบสอนลูกสอนเต้าสอนลูกสอนหลานเอออันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละการเฝ้าส่ลงสลากลับมาก็ต้องรอบครอ บ, อบ้อยสังเกต เดี๋ยวโดนลูกน้องหลอกเหมือนกันเถอะเออถ้าโดนลูกน้องหลอกไปแย่เหมือนกับลุงพ่อนะั่นน่ะโดนหลอกเหมือนกโดนโดนจอมจูเมี่ยงหลอกเหมือนกันให้กินขี้ม้า ก, กักินขี้ไก่มดท่าเลยงันเถอะเออเนี่ยลุงพ่อเลยโดยมากเลยจริงว่าเะต้องบอกแล้วบอกอีกสังเกตแล้วสังเเตเกดอีกกลัวเป็นกลัวเป็นไอ้ขัวตาโดนหลอกเหมือนกันเออ